ขอความสุขความเจริญจงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัศรีปทุมยังคงนำเสนอประวัติของพระสารีบุตรเทระในช่วงที่ท่านกล่าวคาถาก็พูดง่ายๆว่าคือแสดงธรรมนั่นเองในโอกาสต่างๆ พระอาจารย์ในอดีตได้รวบรวมเอาไว้ในที่เดียวกันก็เรียกว่าเทราคาถาก็ได้พูดมาถึงข้อที่ 110, ร้อยสิบพันสิบต่อไปก็เป็นพันที่สิบเอ็ดท่านว่าบุคคลผู้ชอบเพ่งสาร ผู้เพียรพยายามเรื่อยไปพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันสุ ข, ขุมผู้ยินดีในความสิ้นไปแห่งอุปาทานนักปราชเรียกว่าสัตบุรุคำวมชานั้นแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเรียกว่าอารามนูปนิชานคือเพ่งดูอารมณ์ เช่นเจริญพุทธานุสติธรรม า, านุสติสังขานุสติก็เพ่งดูคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณของศีลคุณของการเสียสละก็เลยไปเป็นอนาปานสติเป็นอานานุสติก็ได้ก็หนึ่งก็ตาม ในขณะที่ท่านเพ่งอยู่นั้นจะต้องใช้สติเป็นตัวลึกอยู่กับสิ่งนั้นๆแล้วใช้ความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องและแก่กล้าเอาจริงอจังประสบกรรมาการปวดเมื่อยด้วยะการต่างๆก็ต้องใช้ความหมดกันความหมดทนเอา ในขณะเดียวกันก็มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมในอารมณ์ที่กำลังเพ่งระดึกจนถึงจุดหนึ่งก็จะสงบไปโดยลำดับบางครั้งก็เป็นสงบเป็นขณะขณะก็เรียกว่าคณิกะสมาธิ บางช่วงปริมาณความสงบสูงขึ้นนานขึ้นเรียกว่าอุปจารสมาธิถึงจุดหนึ่งความสงบนั่นเองเพิ่มปริมาณขึ้นถ้ายังไม่เต็มที่เขาก็เรียกว่าอัปนาสมาธิแต่ถ้าบรรลุฌาน เขาเรียกว่ารูปฌานนะรูปฌานนะครับก็แบ่งเป็นอันดับ1อันดับสองอันดับ3อันดับ4ร่รวาชฌานที่1ที่2ที่3มที่4ในขณะนั้นแหละนิวรณทั้ง5ประการที่กล่าวไว้ในคาถาก่อน ก็จะสงบลงอารมณ์อของฌานนั้นจะเป็นกุศลล้วนๆสิบกับห้าข้อเดียกันข้อแรก ป, ประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขและเอกขตาวิตกทำหน้าที่สงบปีนามิธานิวอนวิจารทำหน้าที่สงบ วิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยนิวรณ์ปีติทำหน้าที่ส ง, งบพยาบาทนิวรณ์ข้อที่สองสุขทำหน้าที่ส ง, งบอุทธะกุกุจะซึ่งเป็นนิวรณ์ข้อที่สและเอกคตาคือตัวสมาธิทำหน้าที่ส ง, งบกามฉันซึ่งเป็นนิวรณ์ข้อที่หนึ่ง ก็ในขณะนั้นท่านก็อยู่ด้วยกุศลในจิตกายท่านก็สงบวาจาท่านก็สงบใจท่านก็สงบเพียงแต่ว่าสงบอยู่ในระดับใดระดับเพ่งสมาธิหรือระดับเพ่งฌานเพ่งฌานเป็นระดับข้อไหนแต่ว่าราดบใดที่ยังไม่ เลยไปจนถึงรูปฌานยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาท่านก็ต้องเพียนพยายามอยู่เรื่อยไปพอจนถึงรูปฌานข้อที่สี่นี่ท่านก็ถอยจิตมาอยู่ที่รูปฌาน เช่นว่ามาอยู่ในรูปประจานข้อที่สแล้วยกยิตขึ้นพิจารณาไตรลักษณ์ก็เรียกว่าพิจารณานา ม, มารูปรูปก็คือสิ่งที่เราสัมผัส ด, ด้วยตาหูจมูกดินกายเป็นเสียงเป็นรูปก็ได้เป็นเสียงก็ได้เป็นกลิ่นก็ได้เป็นรสก็ได้เป็นเย็นร้อนอนองแข็งก็ได้ แล้วก็พิจารณาจนเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นตกอยู่ในฐานะเป็นของไม่เที่ยงปรากิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในแต่ละขณะนั้นมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของเขาเองก็ไม่มีอาการที่เที่ยงแท้แน่นอน แล้วก็แปรอยู่ตลอดระยะเวลาเอ็นเป็นทุกขตาคือเป็นทุกข์เพราะว่าเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีการเสียบแทงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก อย่างปวดเมื่อยจะปวดอ ะ, อ, อะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเสียดแทงที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายบ้างแก่แก่กจิตใจบ้างแต่ว่าจิตเป็นผู้สเสวอยอารมณ์เกี่ยวกับการเสียดแทงเหล่านั้นพอถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นว่ามันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน เพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถบังคับบงการสั่งการให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้มันคงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยเข้ามันแล้วก็ตรงกันข้ามกับระบบความเชื่อที่มีตัวตนถาวรที่แท้ยั่งยืนอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง แล้วก็พอย่อยเขาจริงมันมันศูนย์คือหาอะไรที่เป็นสาระแกนสารไม่ได้ดินน้ำลงไฟอากาศที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเราตลอดถึงวิญญาณพอย่อยไปเรื่อยมันก็ไม่มีอะไร มนันเป็นการควบรวมของเหตุปัจจัยแห่งสิ่งนั้นๆเท่นนานั้นเองแต่ว่าตัว ต, วตวน ท, ที่แท้ทาวอนั้นไม่มีแล้วก็จริงคือเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวตวนอะไรอย่างที่เข้าใจกัน คนบางคนสะสมทรัพย์สินคารไว้จำนวนมหาศาลมากเกิดมาก็กำมือมาเิลาตาก็แบมือไปเป็นการบอกกล่าวคนรุ่นหลังให้ทราบว่าทรัพย์สินคารทั้งปวงที่ฉันรวบรวมเอาไว้เป็นนั้นมากนั้นฉันก็ไม่ได้เอาอะไรไป แม้แต่ร่างกายซึ่งเคยทนุบำรุงประคบ ป, ประ ง, งมประับประดาตกแต่งชำราสาสางด้วยวิธีการต่างๆพอก็ะจิงแล้วเราก็เอาร่างกายไปไม่ได้ถ้ากิเลสยังไม่หมดมันก็เหลือกิเลสกับกรรมที่จะนำไปสู่ปฏิสนธิวิญญาณเท่านั้น นี่ก็เป็นอนัตตาแต่ตามปกติแล้วชีวิตของสามัญชนเรามองโลกคลาดเคลื่อนจากที่มันเป็นคือไปมองสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยงามเจด็ดร่างกายเราซึ่งเป็นที่รวบรวมของสิ่งปฏิกูลด้วยประการต่างๆนั้น เรามองเห็นเป็นสิ่งที่สวยงามทัา ง, งที่ไม่สวยงามวันหนึ่งชำระล้างร่างกายกันด้วยวิธีการาต่างๆตั้งแต่ปลายผมลง ม, มาจนถึงปลายเล็บเท้าแต่ไม่เคยสะอาดจริงสักทีหนึง่งสะอาดได้ช่วงสั้นๆแต่นั้นเอง พอถึงจุดหนึ่งพอตายพอลมหายใจออกจากร่างมันก็แสดงอาการที่แท้จริงเข้ามันออกมาร่างกายนั้นแหละที่ตายลงไปแล้วเราจะฟื้นคืนให้สะอาดขึ้นมาอีกก็ยังไม่ได้เลยแม้สะอาดเพียงชั่วขณะระยะสั้นๆเราก็ทำไม่ได้ เรามันต้องเปิดหน้าภูพังไปตามการเราไปมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ว่าเป็นของเที่ยงแท้ทั้งๆที่เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงแท้เช่นเราหาย ใ, ใ, ใจเข้าเป็นเกิดหายใจออกก็เป็นดับชีวิตเราก็ปลนปลืออยู่ด้วยหายใจเข้าหายใจออกก็แสดงว่าเราเกิดแก่ตายอยู่ตลอด เป็นการตายแบบสมมติมรณะคือสมมติว่าตายแต่เนื้อมันมีจากการเกิดที่ต่อเนื่องกันไปก็ดูคล้ายๆจะเที่ยงแท้แต่มันก็ไม่เที่ยงแท้เหมือนกระดาปาก้อนิดก้นหินลงไปในกระแสน้ำที่เชี่ยวเนี่ย แม้เราจะปาแม่นยังไงก็ตามคือให้ก้อนอิฐก้อนหินก้อนที่สองนี่ลงไปในที่เดิมมันก็คนละเรื่องกันแล้วเพราะก้อนอีกก้อนหินก็เปลี่ยนน้ําที่ก้อนอีกก้อนหินกระทบก็เปลี่ยนเวลาก็เปลี่ยนอายุของเราเองก็เปลี่ยนมันเป็นเรื่องใหม่อีกทั้งชุด จะไปอีกกี่ชุดมันก็เป็นเรื่องใหม่ทั้งนั้นเรียกว่าดับแล้วก็ดับไปเลยเราสัมผัสเรื่องเหล่านี้อยู่ทุกวิทุกวันแต่ก็เราลดละในความรู้สึกที่วิปลาสเนี่ยได้ยากเรามักจะเข้าใจความเที่ยงแท้อย่างยืนทาวร บานทีไปเผาศพคนตายแท้ๆเลยแต่เราก็ปไปน้อมก็มาหาเราโดยไม่คิดว่าเราเองก็ต้องเป็นอย่างที่ท่านเป็นวันก่อนไปเผาศพท่านอาจารย์ที่วัดเทศรินทรวัตเป็นเบญหลวงนะพระพรายสยามพร ศพท่านยิงนะ่คงอยู่ในโลงคือคงใส่ไว้ที่เชิงตะกอนไปแล้วปีเตาเผาไปแล้วแต่ก็เขาให้เราใส่ดอกไม้ทุกเทียนไปใต้โรดซึ่งวางโชวไว้ข้างนอกเราก็ต้องยึดถือสมมติอนะ่ะทั้งที่เรารู้รู้ว่าไม่มีสักศพของท่าน ก่อนจะใส่ดอกไม้ทุกเทียนก็ยกมือไหว้ขอขบาลาทโทษเสร็จแล้วก็ยกมือไหว้เราทำกันอย่างนั้นทุกองทัางที่เรารู้ว่ามันเป็นโกดไม้เฉยๆไม่มีอะไรเลยแต่เนื่องจากเราไปรับสมมติเขา ก็ต้อ ง, ต, องต้องทตามที่มีการสมมติบัญญัติกั น, นอาจารย์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเป็นอดีตเจ้าวาดวัดเทพสุรินทราวาดก็เป็นอาจารย์สอนแล้วก็ทำงานเป็นผู้ทายบังคับบัญชาของท่านอยู่นาน ก็ตั้งแต่พศ2505นะครับก็เรียกว่า 50-40 กว่าปีแต่โบ่านจะสิ้นท่านก็สิ้นดื้อๆลุกขึ้นผมจีวรเพื่อไปสวดร่างกายที่โรงพยาบาลเพราะมีอาการผิดปกติ ปรากฏว่าไอทรงสามทีเล่านั้นเองไปเลยมนภาพแบบสบายๆแต่ว่ามันแสดงให้เห็นความไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนของชีวิตแน่นอนตาพูดอายุอายุท่านก็ยืนนะฮะเพราะข้าปีที่สิบที่เก้าสิบสามแต่ว่าจะยืนยังไงมันก็จบลงที่ตาย มันสอนเรื่องความไม่เที่ยงแท้แน่นอนให้เราดูชีวิตนี้เอาก็จริงมันหานิมิตหาเครื่องกำหนดหมายอะไรไม่ได้เลยมันมีลักษณะไหลติดหนุนเนื่องกันไปร่างกากระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาที่ไหลอ ย, อยู่ตลอดชั่วนาตะปีเต่๋ยิงมันไหลไหลแล้วก็ไหลเลยลออกทะเลหายไป ส่วนหนึ่งก็ระเหยขึ้นอากาศส่วนหนึ่งก็ซึมซึลงไปใต้ดินส่วนหนึ่งก็ไหลออกทะเลก็ไปอยู่ในสภาพเดิมนั่นแหละหมายความวาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ซึมก็ไปใต้ดินส่วนหนึ่งก็ถูกแผดเผาจากแสงแดดระเหยขึ้นไปบนอากาศส่วนหนึ่งก็ไหลไปเรื่อยๆไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน นั้นคือชีวิตถามว่าอะไรมันบังไว้ล่ะเราทาไมเราไม่เห็นเพราะมันมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าสันติคือการไหลต่อเนื่องกันไปการเกิดดับที่สืบเนื่องกันไปเรามองว่อะไรคล้ายค้ายกับแม่น้าสายเดิมแต่ที่จริงไม่ใช่น้ำก็ไม่เดิมเราก็ไม่เดิมเวลาก็ไม่เดิม ทั้งหมดมันไหลทั้งนั้นเราก็ไหลทีวิเราก็ไหล ก, การเวลาก็ไหลกระแสน้าก็ไหลไหลไปด้วยกันทั้งนั้นประการต่อไปเรามองสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขทุกนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปจัจจัยแล้วก็คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ถูกแผดเผาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกมีความ ร, าร่ารรอนกระวนกระวายกระสับกระส่ายนั่งนานก็ปวดยืนนานก็ปวดนอนนานก็ปวดเดินนานก็เหนื่อยเอาอะไรกับมันไม่ได้สักอย่า ง, งแต่ที่เราเห็นว่ามันเป็นสุขเพราะว่ามันมีการผัดเปลี่ยนในระยาปวด เราเปลี่ยนในยาบดด้วยยืนเดินนั่งนอนในเราเปลี่ยนก็เราด้วยมันก็บรรเทาได้ไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งแต่พอถึงจุดหนึ่งก็จะแสดงอาการออกมาอาการแผดเผาของสภาพเป็ล้อมบ้างของโรคภัยไข้เจ็บบ้างของอาการเจ็บปวดในเรื่องต่างๆบ้าง องการเสียดแทงของโรคบ้างก็เรียกว่าสารพัดอย่างเราเห็นเรารู้เราดูเราเข้าใจแต่เราก็ปล่อยวางยางไม่ได้ยังยึดมั่นถือมั่นมันอยู่แล้วก็ไปเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาตัวตนที่เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผัน อนัตตลักษณะคือลักษณะที่กำหนดหมายว่าเป็นนตาก็คือหนึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเราสั่งการอะไรเขาไม่ได้แม้แต่ขนาดปวดอุจาระปัสสาวะเนี่เรายังสั่งเขาไม่ได้เลยกินข้าวไปพักหนึ่งอีกคิดว่าอีกสักสองสามชั่วโมงจะกินมันหิวซสก่อนะ ่าทีหิวจนทนไม่ได้เลยก็ต้องกินก่อนกาหนดกินแล้วก็หอหิหิวอีกนั่นแหละเราไม่สามารถบังคับเราไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้พลาดพลา ด, ลาดสูญเสียบังคับให้เราจเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สริงขารบังคับให้เราตายแล้วไปสู่สุคติ ทำไม่ได้สักอย่างหนึ่งอยู่กันมานานจนท่าจนแก่แต่เราก็ทำไม่ได้ไประการต่อไปก็คือมีความเชื่อเรื่องอัตตาตัวตนชิทฐาวรในศาสนาเทวบนิยมทั้งหลายเด่น ย, ยกตัวอย่างศาสนาพราหมณ์เนี่ย ก็เชื่อว่าคนรตายแล้วจะไปอยู่ร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าพระมเองก็เถียงกันอยู่นะพระผู้เป็นเจ้าเชื่ออะไรบางยุคบางสมัยนั้นไม่ค่อยมีรูปร่างเรียกว่าปรมาตมันต่อมาก็มีรูปร่างไม่เป็นผู้หญิงผู้ชายเรียกว่าภูมมัน แล้วต่อมาก็เป็นพระพรหมตอนพรหมมันนั้นก็ยังไม่มีรูปร่างแล้วก็ตอนที่เป็นพระพรหมเนี่ยเริ่มมีรูปร่างแต่ไม่เป็นผู้หญิงผู้ชายต่อมาก็เป็นพระพรมก็เป็นผู้ชายมีศักดิคือมีปัญญามีมเหสีชื่อวสุรัตวดี เวลานี้ก็เปลี่ยนเป็นวิษณุบางเปลี่ยนเป็นสิวะบางตอนนี้ในสีม่มรติเนี่ยสิวะก็เป็นใหญ่นารายก็เป็นรองพระพรุมเลยเป็นรองไปแต่ว่าที่อยู่นั้นพระพรุธก็เก่งกว่าพระพรุธอยู่บนสวรรค์สิวะอยู่ที่ภูเขาไกลลาดปานารายก็ดูที่ หลังอันันตนากราชเรียกวานารายบรรทมศิลอยู่บนหลังอนันตนากราชกับพระลักษมีเทวีจนเป็นไมเส้สีก็นั่งเหงายอยู่หรอกเด่นพระเจ้าดูแล้วก็นั่าเหงายอยู่หรอกนี่ก็เป็นเรื่องความเชื่อแต่พระพุทธศาสนาก็ไม่ยอมรับถึงความเชื่อในลักษณะนั้น เพราะว่าในที่สุดสิ่งทั้งหลายก็ต้องแยกย่อยสลายไปไม่ได้มีอะไรที่เป็นสาระแก่นสารที่แท้จริงก็เรียกว่าศูญยตาคือว่างหรือศูนย์จากเราจากของเราจากตัวตนของเรา แล้วก็ขจริงทุกอย่างที่เรารู้สึกว่าเป็นของเราหรือรู้สึกว่าเป็นเราหรือู้สึกว่าเป็นตัวตนของเรามันก็ไม่มีอะไรเป็นสักอย่างตอนตายนี่บ่งชี้ให้เห็นว่าไม่ได้ปิมีอะไรเป็นสักอย่างอย่างที่ท่านกล่าวเตือนไว้ว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าเจ้าแต่สุขสนุกสนาเจ้ามามือเปล่าจเจ้าะจะอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา นั่นก็เป็นสัจจะของชีวิตช่วตรงนี้เรียกว่าลักลักณูปนิชฌารคือเพ่งลักษณะคือลักษณะที่ไม่เที่ยงลักษณะที่เป็นทุกข์ลักษณะที่เป็นอนัตตาให้เห็แล้วถ้าทําได้พอถึงจุดหนึ่งมันจะไปล ด, ดตัณหามาณทิชฌิความรู้สึกว่าเป็นของเราของเราของเรานี่ก็ลด ความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนโน้นก็ลดความรู้สึกว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราก็ลดตัวลงาการเพ่งชาตมันก็เพ่งอยู่สองลักษณะเพ่งโดยใช้สตินำเรียกว่าอารมณูปนิชาตสนับสนุนด้วยสมยชัญญะและความเพียนเพ่งโดยการใช้ปัญญาพิจารณาก็ใช้ปัญญานำ สติกำกับแล้วก็ความเพียรก็เป็นพลังขับเคลื่อนนั่งจิตไปท่านกล่าวว่าต่อไปว่าผู้เพียรพยายามเรื่อยไปพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันสุขุมการพิจารณาเห็นด้วยปัญญาสุขุมนั้นอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในอนัตตลักษณ์กันสูตร ให้พิจารณาประเด็นแรกนะประเด็นแรกคือเป็นอนาัตตาก่อนกล่าวโดยสรุปว่าภิกษุทั้งหลายขันห้านั้นเป็นอนัตตาถ้าขัน้าจาักเป็นอนาตาอย่างที่เชื่อเชื่อกันเนี่ยขันห้าก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคือไม่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปในทางที่เราไม่ต้องการ ราบงการได้สั่งการได้และาสัตว์ทั้งหลายก็สามารถจะบงการว่าคณาข้าเราต้องเป็นอย่างนี้คณาข้าเราจะเป็นอย่างอื่นอย่างอื่นเลยก็บงการได้แต่เพราะมันเป็นอนัตตาคณาจึงเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเราไม่สามารถจะบงการให้คณาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นตามที่เราต้องการได้ รับสั่งถามภิกษุปัญญวคีว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อ น, นั้นเป็นไนการหน้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุปัญญวคีก็กราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้ารับสั่งว่าสิ่งใดไม่เที่ยงถึงนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านก็บอกว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะ สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นการสมควรไหมที่เราจะยึดถือขันห้านั้นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราต่านก็กราถูนมโนเหตั้งพันเตไม่เป็นการสมควรเลยพระพุทธเจ้าขา้าจากนั้นก็ทรงสอนให้มองทั่วสากรและพีภพบหละทั้งรูปทั้งนาม ปัยเหนั้นและภิกษุทั้งหลายขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขันหนั้นมันก็เป็นสักว่าขันห้าไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวใช้ตนของเราคนนี้อันเธอทั้งหลายพึงเหณนด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ เลรับสั่งว่าดุก่อนภิกษุทั้งหลายอธิยสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้คือหมายความมาปัญญาที่สุขุมอย่างเนี้ก็จะเกิดเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือเบื่อหน่ายในขันห้าทั้งหมดเมื่อเบื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจิตก็ชกพล เมื่อจิตพ้นก็เกิดญาณผุดขึ้นมาว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้จากนั้นก็จะประจักษ์แจ้งชัดเจนถึงความจริงแห่งชีวิตที่สมมติบัญญัติกันว่าชาติความเกิดสิ้นแล้วพระมจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วจิตอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกต่อไป มีหมายความมาต้เห็นปัญญาอันสุขุมอย่างนี้มันก็จะถึงจุดหนึ่งก็เป็นผู้ยินดีในความสิ้นไปแห่งอุปาทานอุปาทานมันก็สืบเนื่องมาจากตันหามานาธิจิบนั่นแหละคือยึดมั่นโดยอำนาจของความใคร่โดยแรงผลักดันของตันหา มีความรู้สึกว่านั้นเป็นของเราของเราของเราของเราของเราไปเรืๆก็เรียกว่ากามูปาทานถือมั่นด้วยอำนาจความใคร่ที่ตูปาทานถือมั่นด้วยอำนาจของทิชิว่ามีอัตตามีตัวตนที่เท้าหัวหนยั่งยืนไม่แปรผันตนเป็นขันห้าขันห้าเป็นตนตนมีอยู่ในขันห้าขันห้ามีอยู่ในตนก็ สารพัพที่เขาจะคิดออกแต่พอเราเข้าใจมันไม่มีอย่างที่ว่าจริงๆ จ, จากนั้นก็จะอัตวาตุปาทานถือมัน่นอัตวาทะว่าตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเป็นอย่าง น, น้น แต่เป็นพระก็เราก็เป็นพระเราก็เป็นมหาเราก็เป็นพระครูเราก็เป็นเจ้าคุณเราก็เป็นชั้นนั้นชั้นนี้ชนนนท์ชั้นนี้นน ون, นนผลรุท้ายก็คือศพตายก็คือศพตายธรรมดาธรรมดาตายแล้วสาเหตุปัจจัยให้เกิดยังมีอยู่ก็เกิดตามธรรมดาของเขาถ้าเหตุปัจจัยให้เกิดมันไม่มีมันก็ไม่เกิด ก็ไม่มีอะไรไปเกิดไม่มีอะไรให้เกิดแล้วก็ศีลปฏิปุปทานถือมั่นโดยศีลวัดต่างๆข้อปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีก็แล้วแต่ทิจาคิดเอาแล้วแต่ที่จาร์ปักใจฝังใจ นักปราดเรียกว่าคนเช่นนี้นักปราดเรียกว่าเป็นสัตบุรุษสัตบุรุษเนี่เป็นคํารวมๆเรียกคนดีทั้งหลายนะฮะเรียกคนดีทั้งหลายที่ประกอบโดยธรรมะที่ทําให้ท่านเป็นสัตบุรุษคือเป็นคนดีก็มีอยู่จํานวนมากคือทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆเป็นอันหมดเป็นเป็นอันมาก แต่ว่าตัวคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานจริงๆหมายความว่าท่านประกอบด้วยสรัทธาความเชื่อมั่นที่ไม่หวั่นไหวในพรัฒนาไตรมีฤิริคือความลายต่อบาปเยื่ตปาปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาป แล้วก็ปีภุสัจจะคือการศึกษาสะดับต่อฟังมามากเป็นคนมีความเพียรเป็นคนมีสติมั่นคงแล้วก็มีปัญญาจากนั้นมันก็จะทอนพื้นฐานที่ดีงามของท่านออกมาว่าจะปรึกษาอะไรกับใครใคก็ไม่ปรึกษาเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นจะคิดสิ่งใดก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่น จะพูดสิ่งใดก็ไม่พูดเพื่อเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นจะทำสิ่งใดก็ไม่ทำเพื่อเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นหมายความมาควบคุมการปรึกษาการคิดการพูดการทำทุกอย่างโดยทำไม่ให้ไปเบียดเบียนประทุษร้ายบุคคลเราอื่นแล้วก็มีความเห็นชอบตามทํานองครองธรรม เช่นว่าเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นว่าการให้ทานมีผลการบูชามีผลพิธีกรรมต่างๆมีผลแม่มีคุณพ่อมีคุณโลกนี้มีโลกหน้ามีการทำดีทำชั่วมีผลทานที่ตายแล้วเกิดนั่นยังมีอยู่ทานที่รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลอื่นรู้แจ้งตามนั้นมีอยู่ แล้วให้ทานอะไรก็ทําไปโดยเคารพหรือให้ทานโดยเคารพเอื้อเฟื้อแก่ของที่ตัวให้เอื้อเฟื้อแก่ผู้รับทานแล้วก็แสดงออกด้วยอาการที่มีความเคารพต่อทานต่อเจตนาของตัวเองต่อทานและต่อคนที่รับทาน มันแสดงเห็นอาการของจิตที่มีความอ่อนโยนละมุน ล, ละไมของท่านทีนี้ในภาคของการบริหารชีวิตเนี่ยสัตว์บุรุษที่จริงหมายความว่าคนที่มีคุณธรรมทั้งหลายเ น, ะนี่ยคนมีคุณธรรมทั้งหลายก็เป็นสัตว์บุรุษทั้งนั้นนะเรวัตธรรมะของคุณดี เป็นนักปราดเป็นบัณฑิตเป็นสัตบุรุษเป็นผู้ควรบูชาก็เรียกคนดีๆทั้งหลายอ่ะเรียกชื่อมากมายแกกองก็เรียกยังไงก็ได้จะสรุปว่านั่นก็คือสัตบุรุษก็เป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักธรรมะธรรมะในข้อนั้นๆตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เนี่ยว่าเหตุนี้ ก่อให้เกิดผลอย่างนี้เหตุนี้ก็ให้เกิดผลอย่างนี้นี้เป็นเหตุแห่งสุขนี้เป็นเหตุแห่งทุกนี้เป็นเหตุแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้เป็นเหตุบรรเทาความทุกนี้เป็นเหตุแห่งนรกนี้เป็นเหตุแห่งสวรรค์นี้เป็นเหตุแห่งนิพพานอะไรท่านก็รู้โดยละเอียดแล้วก็รู้จักผล เช่นว่าสุขเป็นผลมาจากการทําดีทุกเป็นผลมาจากกิเลสจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะทุกแล้วก็เป็นผลมาจากกิเลสทั้งนั้นแล้วก็มีัตตัญญูตาคือรู้จักตนโดยชาติโดยสกุลโดยศีลโดยการศึกษาโดย การเสียสละโดยปัญญาโดยไหวพริบ ป, ปฏิภาณต่างๆเนี่ยก็มีความรอบรู้คือหมายความว่าเรื่องที่เกี่ยวกับตนเกี่ยวนเนื่องกับตนในรู้รู้ละเอียดและก็สนัดชัดว่าการประพฤติปฏิบัติที่ถูกที่ควรที่เหมาะที่สมนั้นคือการกระทำอย่างไรแล้วก็รู้จักประมาณในการสแสวงหารู้จักประมาณในการรับ รู้จักประมาณในการครอบครองรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยรู้จักประมาณในการเก็บออมรู้จักประมาณในการแจกแบง่งรู้จักประมาณในการเสียสละทรัพย์เพื่อบำเพ็ญบุญเป็นต้นและรู้การการไหนควรจะเข้าหาสัตว์บุรุษการไหนควรจะฟังธรรมของสัตว์บุรุษ การไหนควรจะตั้งใจฟังการไหนควรจะเงี่ยหูลงฟังการไหนควรจะกำหนดข้อความการไหนควรจะพิจารณาข้อความการใดควรจะน้ำนำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติจะสามารถปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมมีความประณีตกันไปเรื่อยๆแล้วก็รู้จักกลุ่มคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง การวางตัวกับกลุ่มคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยที่จริงวางตัวยากเราจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคนคานั้นอย่างนี้เราเราฝึกอะไรมาเยอะอย่างยกตัวอย่างว่าพระเอาที่วัดเองก็ได้นะวัดเองที่จริงเกี่ยวข้องกับราชวงศ์นี่ยเยอะเจ้านายเสด็จบ่อย แต่ว่าเวลาเสด็จพระราชดำเนินเป็นพิธีถวายพระกรินในวันแรมแปดค่ําเดือนสิบเ็ดทุกทุกปีเราต้องซ้อมพระในวัดกันสองคืนนะฮะต้องซ้อมวิธีเดินวิธีนั่งวิธีคุกเข่าวิธีเดินเข่าวิธีโอสารพัดเลยแล้วก็ฝึกแล้วฝึกอีกหมายความว่าพระเก่าก็ยังต้องฝึก มาเองก็บวชมานานยังต้องฝึงทกทุกปีเพราะว่าบริษัทมันเปลี่ยนกลุ่มคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในตอนนั้นน่มันเปลี่ยนโบสถ์ไม่ได้กว้างเพื่อในการจะลุกจะเดินจะอะไรต่ออะไรก็ต้องระมัดระวังถือถบวบกว้างมากอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ต้องฝึกทั้งนั้นหมายความว่าจะเป็นวัดใดก็ตามท่านก็ฝึกกันทั้งนั้น เพื่อเหมาะสมถูกต้องแก่กรณีนั้ น, น, นทีนี้ปุคลาประโปรปัญอยู่ตาเป็นผู้รู้จักใครเป็นใครมีความชัดเจนแจ่มแจ้งในคนเหล่านั้นควรจะพูดยังไงควรจะเข้าหายังไงควรจะสนทนาอย่างไรควรจะไปิดบทตนต่อท่านอย่างไรฐานะของเรากับท่านเป็นยังไง แน่นอนการเคารพเรื่องวยยาวุฒเรื่องชาติวุฒเรื่องคุณวุฒิเนี่ยยังไงก็ต้องมีแม้ว่าสังคมจะก้าวหน้าเป็นประชาธิปไตยยังไงก็ตามเราก็ต้องเคารพผู้ใหญ่เราต้องเคารพท่านที่จะเรินโดยชาติโดยเฉพาะราชวงศ์ทั้งหลายเราก็ต้องรับยอมรับความรู้ความสามารถของท่านนั้นๆ เพื่อปฏิบัติตัวให้เหมาะสมแก่สถานะของเราที่เกี่ยวข้องกับบุคูลหรือบุคคลอื่นในขณะนั้นเราจะเห็นว่าแม้เป็นคาถาเพียงสองสองบรรทัดครึ่งนะับสองรรทัดครึ่งแต่แมาก็ความละเอียดคือแต่ละข้อเนี่ยแต่ละแต่ละบทพระคาถาเนี่ยนะครับหมายความมาถ้าเราไปเทศ เด็กานหนึ่งคราวหนึ่งเรคิดว่าสักห้สิบมีชีหนึ่งทั้งให้ศีลทั้งอะไรนี่รวมแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งคือบางอย่างชั่วโมงหนึ่งไม่ทันพระองค์ธรรมมีความละเอียดมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจะต้องขยายต่อเช่นว่าคำว่าฌาญอย่างเงี้ยต้องขยายต่อคำว่าปัญญาต้องขยายต่อปัญญาระดับสุคุมนี่มันเป็นยังไงแล้วก็อุปาทานเนี่ยต้องขยายต่อ นักปราชญ์นี่ต้องขยายต่อสัตว์บุรุษนี่ต้องขยายต่อเพราะว่าเป็นคำเรียกว่าเป็นคำวัดอนะเป็นคำอยู่ภายในวัดไม่ได้รับรู้กันเป็นการทั่วไปพจนกาถาของพระเถระเหล่านี้มันมีมีเยอะนะฮะมีในอันตรกถานี่หลายเล่มแต่พูดถึงเราจะเอามา แต่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะเอามาสักสี่รูป ต, ตอนเราพูดเรื่องภิกษุณีเนี่ยก็พูดสี่รูปเหมือนกันวันพูดพระก็พูดสักสี่รูปหนึ่งเรายังไม่ได้พูดเรื่องพระโมคคัลลานะให้ผ่านเรื่องภาษาริบุตรไปก่อนเราจะพูดเรื่องพระโมคคัลลานะจึงเป็นอักสาวกตอนนั้นเราก็พูดพระมหาประชาบดีพระเขมา พระบุญว น, นาวแล้วรู้สึกว่าพระพัฒากัจจานาคือพระนางพิมพานั่นเองตอนบวชเนี่ยเาเรียกว่าพัธากัจจานาก็มาทำความเข้าใจมาศึกษาเรียนรู้จากชีวิตจริงธรรมารที่มีการศึกษาแล้วมีการปฏิบัติแล้วสัมผัสผลแล้วแล้วท่านที่สัมผัสผลนั้นเป็นพระยะบุคคลระดับอรหันต์ไปแล้ว เราก็เดินตามรอยของท่านแต่ข้อที่ควรสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่ า, าพระเทรัจะแสดงข้อไหนข้อไหนก็ตามมันเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าแสดงแสดงตามที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงแม้ท่านเป็นพระหรันถ้าจะแตกฉานยังไงก็ตามแต่ว่าท่านแสดงตามพระพุทธเจ้ารักษาความถูกต้องเอาไว้ พระเราเองในปัจจุบันก็อย่างนั้นถึงแม้ภาษามันจะเปลี่ยนนะใช้ภาษาเปลี่ยนไปบางเพื่อเหมาะสมสําหรับคนไทยแต่ว่าเนื้อหาสาระแล้วก็ยุติด้วยหลักพระบาลีพุทธวจนะตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้นี้เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะถ้าต่างคนต่างว่าต่างคนต่างอัตโนมัติแล้วก็ยุ่งตายแล้ว ในสุดจะพูดกันไม่เข้าใจมีความขัดแย้งกันในด้านอั น, นี้เป็นธรรมอั น, นี้ไม่เป็นธรรมอันนี่เป็นวินัยอั น, นี่ไม่เป็นวินัยอันนี้เป็นคําสอนพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่เป็นคําสอนก็ยุ่งเพราะฉะนั้นเหล่านี้ท่านรักษาเนื้อแท้ของพระบาลีพุทธวัจะนะเอาไว้ซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั่นเองต้องฝั่งทั้งหลาย เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี